เราทุกคนมีบุญมีวาทนาจึงได้มานับถือพระพุทธศาสานานี้ถ้าบุญไม่มีกิเลสบาปธรรมครอบงาจิตใจแล้วมันก็ให้เกิดความย่อท้อในการจะปฏิบตัติตามคำสอนของอุปเทเจ้าเห็นว่าคำสอนอุปเทเจ้านี่ เป็นเรื่องขัดความประสงค์ของจิตใจคนผู้หนาแน่นไปด้วยคีเลตันหาแบบที่ท่านกล่าวไว้ว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนี่นะอันนี้ก็ควรพากันพิจรนารณาดูว่าเรามีความสามารถ ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้นะก็นับป่าเป็นบุญยราบอันประเสริฐของเราขอให้ภาคภูมิใจเพราะว่าเราก็เห็นเห็นกันอยู่ในโลกนี้นะมีน้อยคนที่จะยินดีปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้ครบวงจรเชออ่นให้ทานมีแล้ว มันก็อยู่แต่แค่ทานนั่นแหละอันจะ ก, ก้าวไปสู่การรักษาศีลก็ไม่มีความดำริเลยไม่ได้คิดว่าจะรักษาศีลเลยอย่างนี้มีอยู่เยอะแยะพวกที่ให้ทานแล้วรักษาศีลบ้างแต่ไม่สนใจทางภาวนานมีอยู่มาหมายเหมือนกันนะอันนี้ พวกเราที่มาอยู่ในวัดวาอารามนี่ เ, ออเราก็พากันได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติครบวงจรทานก็มีสินก็มีภาวนาก็มีอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นบุญยราบของเราให้พากันภาคภูมิใจเหตุว่า เราเกิดมาแต่ละชาติแต่ละพบนี่จะได้พบพระพุทธศาสนานี่แสนยากไม่ค่อยได้พบนะอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดชาติใดก็จะพบพุทธศาสนาทุกชาติไปหาไม่ได้ทั้งนี้เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งๆกลัวจะมาตัดสรุปในโลกนะต้องสร้างบา ร, รมีนานแสนนานกนละัวจะเต็มบริบูรณ์ทางนั้น ก็ยังปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรไว้ในพัทธกับต่อจากพัทธกับนี้ไปนี่นะจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกสิบพระองค์านั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีจิตใจเรื่มใส่มั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างจริงจังเข้าไปกราบไหวบูชา แล้วก็ละเว้นไอ้ทางที่ผิดที่ทรงบัญญัติ่าำไว้ก็พยายามละเว้นให้หมดไปเลยใอ้อย่างนี้แล้วก็คงจะไม่พลาดจากพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นั่นแหละเมื่อบุคคลสร้างบุญบา ร, รมีไปมันก็อาจจะไปเต็มเอาเสียพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์เนึ่ง ก็สามารถํำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เข้าถึงพระนิพพานใอ้พูดถึงเรื่องพระนิพพานนี่นะมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือเป็นที่สุดแห่งชีวิตที่ท่องเที่ยวเกิยดเกเจ็บตายไปในสงสารนี่มเมื่อบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นอนว่ายุติ ไม่ต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกต่อไปคนผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาตันหาแล้วมันก็ไม่อยากไปพันิพาลมีบางคนพูดอยู่ให้ฟังอยู่เหมือนกันเนี่ยพูดถึงเรื่องพนิพาลให้ฟังว่าไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอย่างนี้ไม่อยากไปเพราะว่ามันไม่สนุก เออย่างนี้แหละเมื่อไม่มีการเกิดไม่มีการสังคมสมาคมพึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วมันจะเอาความสนุกสนานมาแต่ไหนอืมอันนี้ก็ควรพากันคิดพิจารณาอย่าอย่าให้มันเป็นมาของจิตใจความคิดนึกความรู้สึกอย่างว่านี้นะอืม นี่แหละในพุทธศาสนานี่หลักสาคัญที่พุทธบริษัทจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามคือให้รู้จักทุกในการเกิดแก่เจ็บตายนี่นะ ไม่รู้จักจบสักทิ้นนี่พระองค์เจ้าตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่าทุกขาชาติกุนับกุนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายพระทธิเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดังนั้นเราต้อพิจารณาให้มันเห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกนั่นมีถึงสิบเอ็ดกองที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ ทุกข์เพราะการเกิดการแก่เจ็บตายนี่แล้วันยังนี่เรียกว่าทุกข์ประจำขันน่ะนี่มันยังมีทุกข์จรมาแต่ภายนอกเช่นทุกข์การที่ได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจอันนี้ก็เป็นทุกข์กองหนึ่งทุกข์การที่ได้พัดพลาดกาก บุคคลที่เป็นที่รักที่ชอบใจเขาเป็นทุกข์อีกกองนึงอันนี้นะก็ะทุกการที่อยู่ได้อยู่ร่วมอหรือไปร่วมกันกับคนอันธพาลอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกกองนึ่งทกเนื่องจากการแสวงหาอาหารมาเรียงร่างกาย กัดสนษยากเศษลำบากอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกกล่องหนึ่ ง, งอย่างนี้ต้องพากันพิจารณาดูสิทิฏฐานในว่าอาหาอาหาเรเอาหารพระปฏิคุณสัญญาอาหาอาหารเรอาหาระปริเยติตัดทุธธกข์นี่นะการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์นี่นะนั่นเนี่ย การที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกข์สุดท้ายก็ได้แก่อุปทานขันทั้งห้าความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านี่เป็นทุกข์รวบยอดเลยทุกข์รวมอมันอยู่ที่จิตใจมายึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาห่วงเห็นไว้เมื่อห่วงไว้อย่างนี้เวลาขันห้ามัน วิบัติแปลโปนไปจิตท่วอาศัยอยู่ในนี้ก็เป็นทุกข์แหละนี่เดือดร้อนนะอืมเพียอย่างนั้นนี่แหละกองทุกข์น้มันมีอยู่มากมายกายคลองอนนี้ในชีวิตของคนหนึ่งหนึ่งนี้นะขอให้พากันคำนึงพิจารณาดูแล้วคนที่เห็นว่าการที่ไม่ได้เกิดมาอีกเป็นผู้เป็นคนนี่ไม่สนุกขนานนั่นนะ แรีย ว, ว่ามันหลงเอาอย่างขนาดใหญ่เลยประเดี๋ย ว, วะอะหลงเข้าใจว่าการเกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้จะมีแต่ความสนุกสนานความทุกข์ไม่มีนี่เข้าใจผิดถนาดเลยคันเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานอเป็นอย่างนั้น ท่านว่าอย่างทําบุญทําทานก็ทําบุญทําทานแล้วก็ปรารถนาขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เป็นเศรษฐีเป็นกะหบอดีให้ได้ร่ํารวยมีบริษัทบริวารมากๆากอ่ามันก็ปรารถนาไปอย่างนั้นแหละไอ้ผู้ที่มีความเห็นตื้นตื้นอย่างว่านั่นนะดังนั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นมันลึกซึ้งเข้าไปถึงความจริง ให้ได้อืันเมื่อผูดด้ใดมาพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าการเกิดบ่อยๆนี้มันเป็นทุกข์หลายอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์หลายที่ไม่ทุกเกิดกี่ครั้งก็เป็นทุกข์เท่านั้นครั้งเละเกิดร้อยครั้งก็เป็นทุกร้อยครัง้งเพราะเหตุใดยังเป็นทุกข์อ้าวมันไม่ได้สมหวังนี่ พขาเกิดมาแล้วใครๆก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไม่ใช่เหรือเราอยากมีอายุยั่งยืนนานอไม่อยากล้มไม่อยากตายจากโรคนี้เลยแล้วกฎธรรมดามันไม่ยกให้อะนี่ยเนี่ยเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายใครจะมีอำนาจบาดใจเท่าไหร่เท่าไหรมันมันก็ไม่ฟังอ่ะอมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างนั้น นี่นะอันนี้แหละเมื่อมันมีความผิดหวังอย น, นี้มันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วบางคนนะ่ะเจ็บหนักตรงไปโลกหลานญาติมิดทอ้อมล้อมมองดูโลกหลานญาติมิดแล้วน้ำตาไหลถ้าหมดเรี่ยวแรงที่จะร้องไห้โฮออกมาไม่ได้แล้วก็มีแต่น้ำตาไหลอยู่เท่านั้นเอง ถ้ากำลังยังดีอยู่ยก็ร้องโห o ออกมาเลยอืมนี่มันแสดงว่ามันอะไรต่อโลกนี้มันสําคัญวราลูกของเราร้านของเราบ้านเรือนของเราเคยอยู่อูเคยนอนถือมั่นในใจอยู่อย่างนี้นะไม่ได้มีปัญญาสอนใจให้เห็นแจ้งในเรื่องนี้ว่าไม่ควรที่จะไปถือมันอ่นเราเป็นของเรา เพราะว่ามันไม่เป็นเป็นตามใจหวงังถ้าเป็นของเราจริงๆมันก็เที่ยงยัง่งยืนสิก็บังคับได้ออันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะบังคับได้สักอย่างเดียวอย่าว่าแต่สิ่งอื่นเลยแต่ร่างกายก็บังคับไม่ได้แล้วอย่างนี้นะความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อยพากัน นอนหลับทับติดอยู่ให้พิจารณาลงไปบางคนก็คิดว่าเมื่อได้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆเข้าไปมันเนื้อโน้ยเนื้อต่าใจเพราะว่าไม่อยากทําอะไรเพราะว่ามันอะไรอะไรก็จะตายจากไปหมดแล้วอย่างนี้พอคิดมากๆเข้าอย่างนี้มันก็จะ เกิดเป็นประสาทขึ้นมาบางคนก็คิดอย่างนี้แหละคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเลยว่ามันเดินทางผิดไม่เป็นไปตามความเป็นจริงรพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทุกวั น, ท, วนทุกวันซ้าเป็นไรความแก่ความเจ็บความตายนี่นะว่าหลีกเลี่ยงไปไม่พ้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว เมื่อตอนมีกําลังดีอยู่นี่ก็รีบทำบุญทำกุศลรีบละความชั่วเข้าไปละกิเลสภายในหัวใจให้มันน้อยมันเบาบางไปเรื่อยๆจนกลัวว่ามันจะหมดอายุสังขาร น, นี่ลงนี่ทางที่ที่ถูกต้องนะความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้จะไปมัวเมาเศร้าโศกน้อยเนื้อทําใจกับความเจ็บความตาย อยู่แล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้ได้ว่าคนไม่มีปัญญาอันนั้นนะคนไม่ได้คิดให้ผีทวนลงไปคนคนจะไหนมันถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนเอาสักตั้งร้อยเปอร์เซ็นนุ่ น, นเหตุดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์หลายนั่นแหละยย่างนั้นความทุกข์อันเกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจอันหมูนี้นะมันก็เป็นทุกข์จริงๆนะทุกคนก็คงจะคอยถูกมานะอะบางทีคนเกิดร่วมท้องเดียวกันนี่อยู่ด้วยกันก็ไม่ถูกต้องกันกระทบกระทั่งกันเอให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ยนั้นเนี่ยบางทีสามีกับภรรยา ทีแรกก็ถูกกันดีรักใครกันดีทันต่อมานี่คายหนึ่งก็พกิดนอกศีลนอกธรรมออกไปรู้อำนาจเกศ ก, กิเลสตัณหาเข้าไปอีคายหนึ่งตักเตือนไม่ฟังไม่พอใจเกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าแต่วบอกความเห็นมันแตกต่างกันผู้หนึ่งยึดเอาศีลธรรมเป็นเครื่องดำเนินของชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งพอพุทธอกสินทมออกไปอย่างนี้แต่ว่ามันมีเหตุสุดวิถีที่มันจะหย่าล้างกันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันโดยความทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นก็มีอย่างนี้นะนี่นหละการอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์เป็นยากเอาจริงๆแม้คนอื่นๆที่มาอยู่ร่วมกับตนก็เหมือนกันถ้าเป็นคนที่ นิสัยไม่ถูกต้องกันไม่ตรงกันแล้วถ้าอยู่ยากมันไปอย่างนั้นการเดินทางร่วมกันไปทามาค้าขายไปหาเงินหาทองด้วยกันอย่างนี้เมื่อทีแรกก็ร่วมจิตร่วมใจกันอย่างนี้ท่านไปไปแล้วก็เกิดความคิดเห็นแตกแย ก, กกันเข้าไป ก็ทะเลาะกันไปเจ็ดชะ น, นี้จากกันก็นี้ไม่ได้เพราะมันมีกิจการผัวพันกันอยู่กับแอนทุกอ ย, อย่างนั้นแหละอืแต่ทุกเหล่านี้นะมันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะคอยพากันพิจารณาให้ดีแล้วทํายังไงบะนี้เมื่อมีทุกเก่างนี้เช่นอย่างว่าเราอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจอย่างนี้นะ พิจารณาดูไอ้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมให้มันแจ่มแจ้งต่างคนเกิดมาก็มีกรรมเป็นของของตน อ, อันอันที่เขาเป็นอย่างนั้นกับเพราะกรรมของเขาเขาทำมาอย่างนั้นกรรมมันรดนบรรดาลอย่างนั้นมันก็จึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละเมื่อกรรมมันแต่งอย่างนั้นแล้วเราจะไปดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้ได้ยังไง่ะ เพราะผู้นั้นยังตกอยู่ภายใต้ อ, อำนาจแห่งกรรมชั่วกรรมไม่ดีต่างๆนี่รู้อย่างนี้แล้วก็คือหวงพิจารณาว่าคนผู้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วอยู่ตลอดเวลาเวลามันใจดีมันทำดีอยู่ก็มีอย่างนี้เราก็นับถือความดีของเขานนแทนความชั่วสิ่งใดที่มันชั่วแล้วเราก็ไม่ยึดถือเอาอ่ แล้วก็นึกถึงแต่ความดีของเขานั่นมาเป็นอารมณ์แล้วมันก็พอให้อภัยกันได้นี่ทางแก้ไขนะการอยู่ร่วมกับบุคคลที่มัเป็นที่รักที่ชอบใจแต่มันไม่มีโอกาสที่จะทําให้จากกันไปได้อย่างนี้เมื่อมันจําเป็นแล้วก็ต้องนึกต้องคิดจากที่ว่านี้เลย อ, อย่าไปยึดเอาความชั่วของเขาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นอารมณ์ ให้นึกถึงความดีที่เขามีต่อตอนหรือว่าต่อส่วนรวมเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเแล้วมันก็หายอมันก็หายความหงุดหงิดความ ท, ท, ท้อแท้ใจในการอยู่ร่วมกันถ้าเราจะไปนึกถึงในความชั่วของเขามาเป็นอารมณ์อยู่อย่างงี้ในะมันก็ วนไายแน่นอนน่ะจิตใจน่ะเอโดยไม่ได้นึกถึงความดีของเขาเลยอย่างนี้มันลำเอียงจิตเป็นอย่างนั้นน่ะลำเอียงเข้าข้างกับความโกรธให้ดูตัวเองท่าว่าจิตใจตนเองไม่รู้อํานาจกับความโลภความโกรธแล้วเช่นนี้ระวังใจให้เป็นกลางอยู่ แต่ก็จึงได้พิจารณาว่าไอ้ตัวของเราเองคุ้มดีก็ดีคุ้มร้ายก็ร้ายไม่ใช่ว่าตัวเท ต, ต, ตัวเองน่าจะดีไปตลอดก็หาม่ได้เพราะยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นก็มีกิเลสจะไม่ให้มันแสดงบทชั่วออกมาเลยไม่ได้เมื่อพิจารณาเขากับเราเทียบกันดูแล้ว เช่นนี้มันก็ควรให้อภัยกันได้เลยบ น, นี้นะมันก็ไม่ถือสากันโอ้ต่างคนต่างก็มีกิเลสเนาะถ้าถ้าผู้ใดลา ก, กิเลสหมดทิ้นไปแล้วผู้นั้นก็มีความบุพเพื่เรียบร้อยไม่ทำให้ผู้ใดเดือดเนื้อร้อนใจเลยแต่นี่เรามาอยู่กันหมู่มากเ น, นี้นะ่นะล้วนแต่บุคคลที่ยังไม่ไม่สิ้นกิเลสทั้งนั้นเลย เพียงแต่ทำกิเลสให้เบาบางลงไปเท่านั้นเองส่วนใดที่มันยังเหลืออยู่ในจิตใจของผู้นั้นมันก็แสดงบทบาทออกมาภายนอกเมื่อเจ้าของเผลอๆตัวเข้าไปแม้เราก็เหมือนกันนะถ้ากิเลสอันใดของเรามีเมื่อเราเผลอๆสติเข้าไปมันก็อัดแสดงบทบาทออกไปวันหนึ่งให้ได้อย่างนี้ นี่มันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นแล้วมันก็อนุโลมปฏิโลมกันไปได้แหละอืเราจะไปถือว่าเจตตัวดีวิเศษผู้เดียวคนอื่นเลวหมดอย่างเนี้ยผิดถนัดแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็ยังละกิเลสไม่หมดอมืก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่ไม่พิจารณาให้โลภครบอบอย่างนี้แล้ว มันก็เข้าทำรนองที่ว่าเมื่อทำความดีไปแล้วก็ยึดมั่นในความดีนั่นเสียสำคัญว่าแต่ตนดีอย่างเดียวไม่เฉลี่ยนึกถึงความชั่วความผิดอะไรเลยมันก็ผิดทางมันไม่รอบครอบอย่างอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องพี่นาให้รอบครอบเมื่อพิจารณาไปรอบครอบแล้วอย่างนี้มันก็มียืดหยุ่นต่อกันและกัน อยู่ร่วมกันหมู่มากนะข้ อ, ขอสําคัญใ้ต่างคนต่างสํารวมจิตใจของตนให้ดีนี่นะให้เป็นปกติอยู่อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบในตาเป็นต้นอืมต้องอ่านให้มันออกรูปมากระทบในตาอย่างนี้นะถ้าหากว่าห้ามจิตไปได้อันเป็น ที่เป็นโรคที่น่าเกลียดมันก็เกลียดชังไปอืมถ้าเป็นโรคที่น่ารักมันก็รักก็คร่ไปอย่างนี้แหละถ้าเป็นรูปที่ไม่น่ารักน่าชังอะไรมันก็เฉยๆไปอืมนี่ข้อนี้สําคัญมากนะอันนั้นในภาคมีสติเมื่อรู้ว่าตนก็นยังละกิเลสไม่หมดอย่างนี้แล้วก็ต้องสัมรวมจิตใจอยู่ตลอดเวลา เมื่อรูปมากระทบในตานี่ก็ต้องห้ามจิตให้มันหยุดนิ่งซะก่อนเออก่อนจะวิจารรูปนั่นนะนนเมื่อจิตมันหยุดนิ่งแล้วมันก็จะมองเห็นรูปนั้นว่าไม่ใช่สวยไม่ใช่ขี้ร้ายไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วคนดีอะไรถ้าเพ่งดูโดยปรมัตท ธ, ธรรมแล้วมันก็มีแต่ธาตุสีล่ลินน้ำไฟลมประกอบกันอยู่เท่านั้น ไอ้ส่วนจิตใจนั้นเนี่ยเมื่อมันยังละกิเลสไม่หมดกิเลสมันลบควรจิตใจอย่างไรมันก็แสดงบทบาทออกมาอย่างนั้นนี่ยกายนี่มันเพียงเป็นเพียงหุ่นเชิดของจิตใจเท่านั้นเองเนะ เ, เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาลงสู่ปรมา ธ, ธรรมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เกลียดชังบุคคลที่แสดงบทบาทอะไม่ดีต่อตอนนั้น มันก็ไม่เกลียดทังอ่ะเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าไอ้ผู้แสดงนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีตัวตนอะไรเป็นใ้เพลงกิริยาอาการของสังขารที่เกิดขึ้นตามอำนาจของกิเลสในหัวใจของคนเท่านั้นเองแต่ถ้าคนคนนั้นน่ะเขาละกิเลสอย่างนั้นได้แล้วเขาก็จะไม่แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นเลย นี่เราต้องอ่านดูให้ซึ้งเข้าไปอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้มันก็อภัยให้กันได้เลยวันนี้นั่นแหละการภาวนาการพิจารณาให้อย่างให้อย่างความรู้ความเห็นลงไปถึงปรมาถธรรมคือทำมันยิ่งปรมาถธรรมนี่หมายความว่าพิจารณาถึงความจริงของสิ่งนั้นนั้น พิจารณาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งข้างมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาจะ ต, ต้องอยังปัญญาพิจารณาลงให้มันเห็นอย่างนี้มันจึงจะถอนอัตตานุทิธิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกจากกิตใจได้อืม ก็เมื่อตนเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเก่ยเจ็บตายไปนี่เดีย ว, วสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วแปรพวนแตกดับไปในปรมัมญธรรมท่านไม่ว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายท่านว่าเป็นสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีก็มีสภาวะ เป็นอย่างเดียวกันหมดมเมื่อพิจารณาลงไปถึงความจริงอย่างนี้แล้วมันก็เกิดงานความรู้ขึ้นมานี่ว่าสิ่งหนึ่งริงได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเวลาที่ยังไม่ดับนี่มันก็แ ป, ปรปลวนไปนี่ ก็อย่างรูปร่างกายอันนี้แหละเมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับจริงจังมันมันก็มีแต่ทุดโทมไปทุกวนันทุกวันไปอย่างนี้นานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็แปรผันไปทุดโทมไปอยู่อย่างนี้นะแล้วความจริงเป็นอย่างนี้แหละเราจะมามัวเมาถือตัวถือตอนว่าดีวิเศษอยู่ทำไมแล้ว การที่สำคัญว่าชนดีวิเศษอั น, น, นเป็นมานะ เ, ออเป็นกิเลสอันหนาเป็นกิเลสอันสำคัญดัง น, นั้นเราภาวนาลงไปวางจติตตรงให้เป็นอุเบกขาลงหลังจากพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความเกิดความดับเป็นธรรมราอย่างนั้นแล้วก็วางจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปพร้อมด้วยญาณความรู้ปรากฏอยู่ในใจนั้น แล้วอย่างนี้นะไอความมานะความถือตัวทุตนมันก็ระ ง, งับลงแหละเมื่อวางคิดให้เป็นกลางลงไปด้วยด้วยปัญญายานคือความรู้แจ้งเห็นจริงก่อนจะวางเป็อเบกขาลงไปนะต้องรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในสภาวะธาตุสภาวะสังขาร สิ่งที่เกิดมีขึ้นในโลก น, นี่ทั้งมีวิญญาณคองได้แก่มนุษย์และสัตว์มีวิญญาณคองได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินครัวตาตอะไรต่ออะไรพวกนั้นน ะ, ะมันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็แปร่พัวแตกดับเกินกันหมดเลยะนะพิจารณามันเห็นความเกิดความดับแห่งสิ่งทั้งพวงเหล่านี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเรา ในใจนั่รู้ชัดเลยว่ามาใช่ของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้นั่นแหละเป็นอุปายละมานะทิฏฐิให้เบาวาง อ, อกปจากษกิจใจนี่ขอให้เข้าใจกันนะถ้าไม่ลงถึงปานนั่นแล้วมันก็มีมานะทิฏฐิอยู่เต็มตัวอะไรเต็มใจอะไรใครจะด่าว่าติเตียนอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ โกรธหาว่าเขาด่าตนเขาว่าตนเขาคมเม้งตนอะไรไปอย่างนั้นนะนี่มันมันจึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละคนเรามันจึงได้ทะเลาะกันมันจึงได้ผูกเวนจองเวนต่อกันอะไรกันอืมก็เพราะความเห็นผิดจากความเป็นจริงนี่เองนะฉะนั้นทุกคนภาวนานะต้องให้มันรู้ถึงความจริงอย่างนี้ทุกครั้งเลย เอออถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็หนีไปบวชทีจะอยู่คลองเรือนได้เหรือบางคนก็อาจจะคิดเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นการรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะแล้วอยู่คลองเรือนก็ไม่ผิดอะไรอะ่ะเพราะว่าผู้ใดมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดขึ้นไปทีเดียวหาไม่ได้ ทีเลสมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันระ ง, งับทีเลสให้เป็นบางสิ่งบางอย่างก็อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมันละความถือตัวถือตอนลงได้อย่างนี้มันก็ไม่ทําบาปแล้ววันนี้เอ้าจะใช้สันห้านี้ไปทําบาปไปฆ่าตัดวักทับประพฤษษะติผิดในความกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมลัยกัญชายาสินเฮโรอินทําไงเล่าเพราะว่า ภาพ 4. สี่ขันหน้านี่มันไม่เพี่ยงไม่ย่งยืนอะไรหนิเกิดมาแล้วก็มีแต่แผลปนแต่ดับไปแล้วเมื่อใช้ขันหน้านี่ไปทําบาปลงไปแล้วผู้เสเวยผลของบาปคือความทุกข์นั้นได้แขดดวงจิตขันหน้ามันไม่ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมอะไรแล้วด้วยจากนี้พิจารณาดูสินั่นแหละนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบัน พระโสดาบันท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงละบาปห้าประการนั้นได้เด็ดขาดไปเลยแต่ก็ยังอยู่ครองเลือนก็มีเป็นนักบวชก็มีเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจมันถูกต้องอย่างนี้เพราะว่าพระโสดาบันนี้ละกิเลสได้โดยเอกเทศอย่างละไม่หมดเช่นพระโสดาบันละบาปได้หมด แต่ว่าจิตใจนั้นก็ยังคลองอยู่ในกรรมคุณแต่ไม่ทำบาปเพราะกรรมคุณนั้นอย่างนี้การแสวงหาเรี่ยงชีพก็แสวงหาแต่ในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นแม้จะได้มากหรือได้น้อยหรือว่าได้ของเร็วของไม่ละเอียดประณีตก็ตามพระโสดาบันขาพิจานาเห็นร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลา แล้วไม่ทราบว่าจะธนุบำรงมันด้วยของละเอียดปันนิษ์บรรจงราคาแพงไปทำไมอ่ะเมื่อบุญกุศลที่ตนทามาแต่ก่อนมันน้อยนี่มันไม่มากอ่ ะ, อะสมบัติพัสถานอะไรมันจึงไม่มีมากเพราะตนทาบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยแายต้องคิดอย่างนี้คนเรานะ่ะ บุญกุศลนั้นะมันจึงมาเอานวยผลให้เพียงแค่นี้อเมื่อเรามีบุญกุศลทนหลังมาเอานวยผลให้เท่าได้เราก็ยินดีบริโภคถวยผลบุญไปเท่านั้นแหละอหมายความว่าเมื่อบุญมีน้อยอย่างในการแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรมันก็ได้แต่น้อยอย่างนี้นะแม้จะทํางานกำพลร้อนแดดวันยังทํำอย่างไรมันก็ได้แค่นั้นแหละ แค่กรอบแผงบุญที่ตนทามาเท่านั้นเองถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนมันก็ร่ำรวยเหมือนกันหมดสิเพราะต่างคนก็ต่างทำงานกาพ้นทนแดดอาบเหงือ่อต่างน้ำเหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่บางคนมันรวยทีนี้บางคนมันไม่รวยพอจะได้อยู่ได้กินไปวันวันไปเท่านั้นเองบางคนก็รวยพอพันกลาง ไม่อัศคัดผาดแรนเท่าไรนักแต่ไม่ยิ่งไม่รวยมากบางคนก็ร่ำรวยมากเลือใช้เลื้อกินอย่างนี้ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลความดีที่แต่ละบุคคลกระทามาแต่ชาติก่อนนั้นยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันอย่างนี้นะอย่าไปลืมเลือนข้อนี้ให้มันพิจารณากันเสมอม่อย่างนั้นแล้วมันก็เกิดตัหาความเะเยอทยานอยาก ควทนจิตใจขึ้นมาเมื่อเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายมีลาบมียศสูงส่งเนี่ยน้อยเนื้อําใจเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดเป็นอิจฉาลิสยากันขึ้นมาอันที่มนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้นะที่มันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี่นะเห็นคนอื่นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ต้องหาทางกีดกัน ให้มันลงเสมอกับตนหรือต่ำกว่าตนนู่นู่กิเลสในหัวใจคําว่าอิจฉาคํานี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องเรียนรู้กิเลสเหล่านี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้อืมอย่าพากันละเลยเมื่อเราพิจารณารู้กิเลสเหล่านี้แล้วมันทําให้ข้องอยู่ในโลกมันทําให้เกิดมาแล้วก็มา กคำเว้นในหุ่นหลังในทำมาก็บรรดานให้มาพบกับศัตรูที่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ก่อนเอามาเห็นกันเข้ากคำเก่าเนะี่ยมันโดนบันดาลให้เกลียดกันชังกันอมองหน้ากันไม่สนิทนี่นะหมู่นี้ไอความทุกข์ของชีวิตนะ เ, ะเยอะแยะแต่คนไม่ได้พิจารณาเฉยๆถ้าหากว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณา ให้ละเอียดถี่ท่วนไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าชีวิตนี่เต็มไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากเลยอ้อาวแล้วเมื่อเป็นเวีนกันมาแต่ก่อนแล้วทำยังไงบะนี่อา้าวก็เมื่อผู้ปฏิบัติทำนะก็ไม่ควรถือมั่นสิเมื่อเห็นกันไม่ชอบใจต่อกันแล้วกันโอ้ก็นึกว่าแต่ก่อนนั้นมันคงได้ผูผกเวรนกันมามันคงได้ เบียดทางกันมาเพราะฉะนั้นมาในชาตินี้มันถึงมเห็นกันเข้าแล้วมันไม่ชอบใจกันเลยเขาจะทําดีทําช่วยยังไงก็ไม่ชอบใจเอออย่างนี้นี่แ เ, เราก็มาจารันเมตตาต่อกันเข้าไปเอ่เอาละเรื่องความเบียดทางกันความได้เบียดเบียนกันไปก่อนแล้วก็อโหสีกรรมไม่ไปเลยมามาชาตินี้เราจะไม่โกรธกัน ไม่เกลียดกันให้อภัยต่อกันและกันไปเราจะหันหน้าเข้าหากันทําดีร่วมกันไปถ้าหากว่ามันจําเป็นต้องได้ร่วมกันอย่างนี้นะเมื่อต่างคนต่างอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ทําแต่ความดีพูดแต่ทําอ่อนหวานทาที่มีประโยชน์ต่อกันและกันไปเช่นนี้กรคำเวรนี่มันก็ห่างไกลไป มันก็ไม่ได้ตามสนองอีกต่อไปนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสด้วยว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับเพราะการจองเวรในสมัยได้เวรทั้งหลายย่อมระ ง, งับไปได้เพราะความไม่จองเวรต่อกันและกันดังนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอะ่ะขอให้พากันพิจารณา คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังนี้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้รับความสุขความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบรงเพียงเท่านี้